ขความจเจริญในธรรมจุมมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปโพธิยานกำลังนำเสนอเรื่องการเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารของพระภูมีพระภาคเจ้าจบลงด้วยคนทั้งหมดสิบสองหน้าหุ่แเดบลุ่มมากผลเป็นพระโสดาบันสิบสิบเอ็ดหน้าหุ่คือแสนหนึ่งหมืนคน แล้วก็บรรลุมกควผลไม่ใช่คือประกาศตนถึงใจสนาคมแสดงตนเป็นอุบาสกคนหนึ่งนะฮุดเป็นหนึ่งหนืนคนรวมแล้วถือว่าการเสด็จไปโปรดในคราวนั้นมีคนกลายเป็นพุทธศาสนิกชนถึงแสนสองหมื่นคนแล้วก็เป็นพุทธศาสนิกชนระดับคุณภาพเะด้วย เราเป็นความสมเร็จอย่างสูงของพระพุทธเจ้าแต่เราเทียบดูแล้วเวลาตอนนั่งก็คงตกเราะสดงไอ้เดินยี แ, แต่แต่เนี่ยนะแต่ว่าพทธเจ้าสามารถโปรดอดีตนักบวดที่เป็นภิกษุคือปัญญวคีห้ารูปและอดีตชาดินคือผู้โบราณในชาดินได้พันรูป นั้นคือพวกนักบวชเี๋ว่าพวคคนระดับเศรษฐีได้ห้าสิบห้าท่านที่เข้ามาบวชพร้อม้วยพัตตะวคีอีกก็รวมแล้วก็แปดสิบกว่าท่านก็ทั้งหมดทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยมีพระเข้ามาบวชหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดเกาสิบ หนึ่งพันเ้าสิบ 1, 90. แล้วก็มีบาสุบาจิกาถึงแสนสองหมื่นกว่าคนเป็นการทำงานจากวันเพนเดือนแปดมาถึงแถวเดือนยี่นะครับประสบความสาเร็จอย่างคาดไม่ถึงแล้วเป็นการเทศนาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าองค์เดียวคือลำพังองค์เดียว คนอื่นยังไม่ได้นับนะครับเพราะว่าไม่ได้มีจํานวนตัวเลขบอกไว้เพียงแต่ว่ามีคนศรัทธาเลื่อมใสแล้วขอบวชในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้บวช ด, ด้วยยติด้วยติสนากรมนุประสมัมปทาเกิดประกาศตนถึงประเทนาคมแต่นั้นเองแต่จํานวนเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้บอกไว้ข้าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคต ร, ราช ได้ทรงเห็นทำแล้วได้ทรงบนรุธรรมแล้วได้ทรงรู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วทรงมีธรรมอันอย่างลงแล้วทรงข้ามความสงสัยได้แล้วประปาะชาถ้อยคําแสดงความสงสัยทรงถึงความไม่ผู้กล้ากล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระศาสดาข้อความทั้งหมดนี้เป็นการแสดงคุณสมบัติของบุคคลระดับพระโสดาบันขึ้นไปนะครับ กระเราเห็นว่าระดับสามมันชนแล้วยังไม่แน่นอนทั้งนั้นมีธรรมที่เห็นแล้วก็ไม่ชัดเจนนะเพราะว่าคำว่าคำเห็นธรรมในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นโลภะโทวสามโมหะตรงลดตรงไปบรรลุธรรมแล้วยิ่งไม่ได้บรรลุใหญ่ก็าการบรรลุนั้นหมายความว่าผลที่เกิดขึ้นจากการบรรลุนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไป แล้วก็ได้รู้แจ่มได้รู้ทำแจ่มแจ้งแล้วก็เหมือนกันก็เราไปยังไม่แจ่มแจ้งเพราะว่าความเห็นยังไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์ก็เรียกว่ายังไม่เป็นทิฏฐิสัมปันธบุคคลมีธรรมอย่างลงแล้วก็ยังยังไม่ลึกเต็มที่นะคือสรุปว่าเรายังมีความหวั่นไหวไปตามกระแสของกิเลสกระแสของอารมณ์ต่างๆ พระโสดา บ, บันนั่งข้มความสงสัยได้เราก็ยังมีความสงสยัยยังมีความเครียดแครงยังไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องต่างๆอยู่จะลองสังเกตในการมีของปัญหาที่อาตมานำมาตอบอยู่ช่วงหนึ่งเป็นปนัญหาที่กระจายกลุ่มของคนถามออกไปหลายๆกลุ่มคือแสดงให้เห็นว่าพุทธบริษัทของเราในแต่ละกลุ่มในแต่ละวัยในแต่ละสถานะ มีความข้องใจสงสัยอะไรในเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่บ้างดูแล้วก็จะมีความหลากหลายยากที่จะกําหนดลงไปแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความไม่จิกิจิ๋าคือก็เพื่อแกลงสงสัยปราสาจากถ้อยคําแสดงความสงสัยพระโสดาบันนั้นปราศจากถ้อยคําแสดงความสงสัยโสดาบันขึ้นไปนะครับ แต่เราก็มีข้อความที่แสดงเห็นความถึงให้เห็นใงความสงสัยอยู่เสมอทันจึงไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในบางเรื่องไม่เชื่อมั่นในตัวเองในบางเรื่องแต่ว่าพระโสดาบันนั้นท่านเป็นผู้แก้วกล้าไม่ต้องเชื่อคนอื่นในคำสอนของพระศาสดาเป็นสัมบัตตรงนะฮะเป็นสัมบัตตรงของท่าน หมายความว่าคล้ายๆกับเรากินเกลือแล้วเค็มเนี่ยใครมาบอกว่าไม่เค็มเนี่ยเราก็ไม่เชื่อคือป่วยการที่จะไปอธิบายเสียเวลาเปล่ า, เ, ล า, เ, ลาเราไม่มีทางเลยเชื่อได้แต่ถ้าพูดถึงรูปรักษ์ของเกลือนั่นอาจจะแตกต่างกันก็ไปได้ว่ากันแต่ถ้ารสชาติของเกลือแล้วต้องเค็มส่วนจะเรียกชื่ อ, อยังไง ร, รูปร่างขนาดปริมาตรมันเป็นยังไงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แน่นอนที่สุดคือเกลือก็ต้องเค็ม เราไม่ต้องไปอาศัยความเชื่อจากบุคคลเหล่าอื่นเออเพราะคุณธรรมเหล่านี้เองก็ได้ทูลประวจาต่อพระผู้มีพระภาคนะฮะว่าขั้นก่อนที่ทรงเป็นป ร, ราชกุมารด้วยรโรงได้มีความปรารถนาห้าอย่างวันนี้ความปรารถนาห้าอย่างของรโรงนั้นประสบความสำเร็จ เรื่องการแสดงความปรารถนาะความต้องการของบุคคลเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างภายในจิตใจของบุคคลเตนนั้นเความปรารถนาะของพรนะยาปินพิสารที่จริงแสดงให้เห็นดังบารมีธรรมของท่านที่แก่กล้ามากคือทําเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวเพราะนั้นก็มุ่งไปสู่ปมรมาทัยประโยชน์คือประโยชน์อันสูงสุด ก็เรื่องกาปรารถนาเรื่องระดับมากุลนิพพานที่เกี่ยวโยงกัเรื่องระดับมากุลนิพพานก็กลับทูลว่าก่อนก่อนเมื่อมองชันยังเป็นราชกุ ม, มารได้มีความปรารถนาวานน่าชนในน้อชนทั้งหลายเพื่อพิเศษเราในราชสมบัติดังนี้นี่ก็เป็นความปรารถนาของของมองชันข้อที่นี้นบัด น, นี้ความปรารถนานั้นของหมองชันสําเร็จแล้ว คือเราเห็นว่าการปรารถนาที่จะรับการนภิเศกเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติในแวดนังคากรรมคตนั้นในฐานะที่เป็นพระราชกุมารท่านก็อยู่ในสถานะที่จะได้เป็นอยู่แล้วเรียว่าตั้งความปรารถนาหรือไม่ตั้งความปรารถนามันก็คงจะเป็นไปตามปรารถนาผู้ควรแก่การเสวยราชสมบัติ พอเป็นรัชทายาทนะฮะควรแกการราช ส, สมบัติสมบัติแบบยุคสมัยตรงนั้นเออตรงนี้เป็นการแสดงความปรารถนาที่เป็นทิฏฐธรรมคือต้องการจะได้สถานะที่เป็นทิฏฐธรรมถ้าเรามองถึงความปรารถนาตรงนี้ถ้าไม่นึกถึงพรของนางพุทธดีสิบข้อนะฮะแล้วก็พรของพระเวชนดรเออตอนคอนครกันน่ะ มันก็เป็นมาตวัดอะไรบอสมควรแต่แสดงถึงบา ร, รมีภายในใจของท่านเหล่านั้นว่ามีความแตกต่างกันบา ร, รมีของพระนางพุทธดีนั้นผูกพันอยู่กับพระองค์เองส่วนใหญ่ไปเกี่ยวข้องอยู่กับคนอื่นเพียงสองข้อเท่านั้นเองแต่ว่าของพระเจ้าพิมพ์ิสานั้นห้าข้อเนี่ยก็เพื่อพระองค์เอง แต่ว่าเพื่อประเทศชาติประชาชนนั่นแหละคือหมายความว่าให้ท่านได้มีโอกาสทำงานเพื่อประเทศชาติประชาชนเพราะว่ากนตทำความเป็นจริงการบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่เป็นสุขทุกกษัตริย์ทุกเจ้าวัดทุกแม่เรือนท่านโบราณท่านว่าไว้าการอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ไม่ใช่เป็นตำแหน่งที่เป็นสุขเป็นตาแหน่งที่มีเกียรติยศชื่อเสียงมีโอกาส ที่จะทําความดีได้มากกันนั่นเองแต่มีความสุ่มเสียงอย่างยกตัวอย่างประธานาธิบดีอเยนติ น, นานี่ยเราเห็นว่าไม่กี่วันนั่นเองเป็นประธานาห์าคนนะเป็นแล้วก็ลาออกเป็นลาออกเป็นลาออกเป็นลาออ ก, นออกคนนี้จะอยู่ได้กี่วันก็ไม่รู้นั่นคือแสดงให้เห็นว่ามันไปผูกพันกับกลุ่มคนเป็นนั้นมาก การมาอยู่ในจุดตรงนี้จุดเดิมผู้นำของชาติบรรเมืองผู้นำของหมู่คณะเนี่ยมันอาจจะเป็นที่พอใจของคนกลุ่มหนึง่งแต่ไม่เป็นที่พอใจของคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็อยู่ลําบากแต่ว่ามันเป็นที่ยืนเพื่อจะทํางานให้ได้ผลประโยชน์กว้างใหญ่ไพศาลออกไปเพราะเราจะเห็นว่ า, าหน้าหน้าที่ตําแหน่งนเนี่ย มันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันถ้าเราไม่มีตำแหน่งเราก็ไม่มีหน้าที่เราก็ไม่มีอำนาจเพราะในตำแหน่งนั้นเป็นที่เหยียบเป็นที่รองรับที่ทำให้เราสามารถใช้อำนาจแลวทำงานในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเขาเรียกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษสถานการณ์สร้างคนหนระือคนสร้างสถานการณ์ก็ตามแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสถานการณ์ ส, สร้างคน คนบางคนประสบความสาเร็จแต่ระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าสถานการณ์เขาสร้างแต่ว่าคนบางคนจังหวะมันไม่ให้โอกาสมันไม่ให้สถานการณ์ไม่ได้สร้างมันก็ราช้าอึดอัดเสียวเวลาอยู่เพราะตรงตรงนี้เราจะเห็นถึงน้ําพระทัยของพระเจ้าพิมพ์พิสารในสมัยที่เป็นพระราชกุมาไปยังทรงพระยาวนะฮะแต่ว่าปรารถนา เพื่อจะได้เป็นกษัตริย์ของราชสมบัติในอังคามคตโดยจะต้องการไปใช้สถานะตรงนั้นพระสถานะตรงนั้นทำงานเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชา ช, ชนในประเทศของพระองค์ประการที่สองเนี่ยขอต้าอรหันหสมมาสมพุทธเจ้าพึงเสด็จมาสู่แว่นแควนของหม่อมฉัน ขอให้พระอาหารหันต์ธรสมมาสมุพพสติเจ้าผู้สรัทธาดีุรุญชอบโดอพระองค์เองเนี่ยเสด็จม า, จาอย่ยงเบืองแคว้นของท่านถึงไม่ปรารถนาของโลกุตตรคุณปรารถนาผลสูงกว่าปกติธรรมดาประการเสด็จมาของพระพุทธเจ้านั้นก็อย่างที่เหตุการณ์ที่กล่าวไว้ในตอนต้นนั่นนหะมันเป็นประโยชน์แก่คนสองแสน โดยการเสด็จเพียงครั้งเดียวแล้วก็เทเพเพียงครั้งเดียวแต่นั่น เ, งเดงแต่ว่าเกิดประโยชน์แก่คนสองแสนอันนี้มันมีประเด็นนะคือน่าจะต่างก็สังเกตสงสัยสมควบางคนเหมือนกันว่าในสมัยนั้นไม่มีเพื่อนขยายเสียงพระเจ้าเทศพยังไงจึงได้ยินกันได้ในคนทั้งสองแสนกว่าคนอันนี้ท่านเล่า ว, ว่ามันเป็นเรื่องของบารมีธรรมของพระพุทธเจ้า เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้นทุกคนที่อยู่จะเป็นกี่คนก็ตามมันมีความรู้สึกว่าพระเจ้าคุยกับเขาเหมือนกับคนเกินนั่งอยู่แล้วก็มองเนใบบนท้องฟ้าในเวลาเที่ยงทเที่ยงคืนนะฮะในพระจันทร์วันเพ็งก็เห็นพระจันทร์อยู่หนือศีรษะตัวเองทุกส่วน ใครจะมองจะตัวไหนก็ตามก็ ด, ดูรู้สึกว่าประจยนอยู่บนสีสันตัวเองพระพุทธเจ้านั้นมีเสียงดูเสียงครมเป็นเสียงที่มีคุณสมบัติพิเศษทั้งแปดประการนะคันเพรการได้ยินเหล่านี้เป็นเรื่องของก็เรียกว่าบารมีธรรมอย่างหนึ่งที่ทรงสร้างเอาไว้ ก็ไม่ใช่ตะโกนอะไรหรอกแต่หมายความมาค้นได้ยินเป็นเรื่องเราต้องยกให้เฉพาะพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจ้าในเรื่องคนบางทีเนี่ยเราอย่างนึกถึงว่าเช่นสมมติเราคนเป็นพันเนี่ยบางทีเราก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะเ้าพูดทางปากเปล่าเนี่ย แต่พรเจ้าสามารถเทศน์สอนคนทั้งแสนสองได้โดยทุกคนได้ยินแล้วก็สื่เสียงเท่ากันสม่ำเสมอกันสมัยแต่ละคนรู้สึกดื่มด่ำรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกอบอุ่นรู้สึกศรัทธาเริ่มใสก็มีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้ากําลังมองดูเขาและกําลังคุยกับเขาเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างนั้น ตอนประเด็นนี้จึงไม่ใช่เป็นประเด็นที่ควรแกการสงสัยอะไรแล้วประการต่อไปก็ขอให้หมอมฉันได้เข้าเฝ้าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนี้เป็นงความปรารถนาประการที่สามของหมอมฉันแต่บัดนี้ความปรารถนานั้นของหมอมฉันก็สําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะโดยจะเห็นว่าขอเพียงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพรอีกหนึ่งข้อนะ พอนหนึ่งขอ้อเพราะอะไรเพราะการการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าเฝ้าก็ได้แต่เราไม่เข้าเฝ้ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกันแล้วต่อเมื่อเราได้เข้าเฝ้าเนี่ยจึงจะเกิดประโยชน์พการเข้าเฝ้าเต็มกลายเป็นพรพิเศษอีกพรหนึ่งที่เรองค์สมขอแล้วก็ขอให้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมแก่หมอมฉันนี้เป็นความปรารถนาของหมอมฉันประการที่สี่บัด น, นี้ความปรารถนานั้นของมอมฉันสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าก่าวาแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยรเราเห็นว่าต้องการผลที่เป็นโล ก, กุตระจริงๆไม่พอใจไม่ติดใจในสมบัติที่เป็นโลกยะ ปรารถนาผลที่เป็นโลกุตระซึ่งแสดงว่าบา ร, รมีไม่ใช่ธรรมดาน ะ, ะบอกว่าขอหมอมฉันพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาพคหลวงนั้นนี่เป็นความปรารถนาของหมอมฉันประการที่สี่ที่ห้านะฮะแบบนี้ความปรารถนานั้นของหมอมฉันสมเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้านี่ก็คือ อจุดเด่นของพระเจ้าพิมพิสารที่น่าสนใจว่าความปรารถนาของท่านทั้งห้าข้อเนี่ยเป็นความปรารถนาเพื่อเพื่อธรรมะปุณหะว่าเพื่อธรรมะกับเพื่อโลกกับเพื่อธรรมเนี่ยเพื่อโลกในเพียงข้อเดียวแต่เพื่อธรรมะถึงสามข้อถึงถึงสี่ข้อด้ยวยกั น, นและต่เลยแต่ละข้อนั้นก็ต้องการผลระดับที่เป็นโลกุตตะระ อือนับเรานับโลกุตระตั้งแต่โสดาปฏิมาขึ้นไปนะฮะทีกว่มามรสีผลสีนิพานหนึ่งก็นับเป็นโลกุตระก็เพียงเก้าข้อเท่านั้นแล้วในการที่คนตั้งความปรารถนาเราลองสังเกต ด, ดูว่าอยางแนวเมื่อก่อนเนี่ยแนวคนรุ่นก่อนๆนิพานอปัจโยโหตุ ขอให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานในนาคตการเบื้องหน้าล้ น, า น, นเทินะเวลาให้ทานเลารักษาศีลเวลาทําอะไรกตานะก็จะออกมาในลักษณะยอย่างนั้นแต่ปัจจุบันเราจะได้ยินน้อยแล้วเรือปรารถนาเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยแม้ในพิธีกรรมทีเกี่ยวกัการบวชเนี่ยก็เพืต้องการจะทําำนิพพานให้แจ้งแบบ น, นี้ก็หายไปเยอะแล้วคือไม่ได้มุ่งมั่นไปทางนั้น เพราะก็าการบวชมันกลายเป็นเรื่องประเพณีไปความมุ่งมั่นผลสูงสุดระดับนั้นมันมีอยู่น้อยเป็นเรื่องที่คิดค้นขึ้นมาทีหลังศึกษาประพฤติปฏิบัติทีหลังแล้วก็ปรารถนามรคนิพพานในตอนหลังของท่านเหล่านั้นตอนเบือ่อพระเจ้าพิมิสารกราบทูลพระผูมีพระภาคถึงเรื่องอย่างนี้แล้วก็ ได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าครั้งก่อนหมอมชันยังเป็นราชกุมารได้มีความปรารถนาห้าอย่างนี้วันนี้ความปรารถนาห้าอย่างนั้นนั้นของหมอมชันสำเร็จแล้วจากนั้นก็สันสซินพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับที่ครอบครัวของพยาศาส์สันสซินเป็นสูตรนะฮะเป็นสูตรคือสันเซินแบบเป็นสูตรไปเลย ใช้ข้อความเหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกมันก็แสดงให้เห็นเรื่งความเจริญก้าวหน้าที่ว่ามีรูปแบบมีแบบฟอร์มในการทำอะไรก็มีรูปแบบในการประพฤติปฏิบัติมันความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆเนี่ยมันถึงเจริญทั้งยุคหนึ่งแล้วก็เสื่อมไปในยุคหนึ่งเรามองย้อนกลับไปว่าการกระทาอะไรที่เป็นแบบฟอร์ม เช่นแบบฟอร์มของข้าราชการฟอรมหนังสือราชการอย่างนั้นอย่างนั้นมีแบบฟอร์มอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็แสดงว่าเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นไปเยอะสามารถที่จะทําอะไรให้เหมือนกันเป็นแบบกระบบเดียวกันได้แต่ในขณะเดียวกันก็ได้แสดงถึงหลักธรรมที่พระพุทธเจา้าทรงศัตรูและทรงประกาศแสดงแก่โลกเราเห็นว่า ธรรมเทศนาในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี่เราเรียกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนคำสั่งนั้นมีลักษณะเป็นบัญญัติมันมีขั้นคล้ายๆกับบันไดที่ไต่กันไปสู่ธรรมะเราจึงเรียกว่าสิกขาบทเปลว่าก้าวของการศึกษาด้วยขั้นของการศึกษาก็เดินเลื่อนไปไเรื่อยๆแล้วก็จะมีความประณีตเข้าไปถึงธรรมะ พอ เ, เป็นธรรมะแล้วศิกบทเหล่านั้นก็ได้รับการปฏิบัติไปโดยอัตโนมัติเรารู้หรือไม่รู้เนี่ยถ้าเราเข้าถึงธรรมะแล้วมันก็ปฏิบัติไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าธรรมะนั่นจะเข้าถึงใจแต่ศีลเป็นการควบคุมทางกายกับทางวาจาควบคุมที่กายกับทางวาจาแต่มีเจตนานะมีความจงใจศีลสําคัญสําคัญแล้วจะต้องเรียกว่าสัจิตรกะคือต้องมีความจงใจมีความเจือด้วยจิตคือนเจอด้วยความคิด แต่สิขบถไม่ขย่ายบางทีก็ไม่จงใจก็ถือว่าผิดเหมือนกันคนโทษบางอย่างเนี่ยมันจึงเป็นโลกะวะชะคือเป็นความผิดทั่วทั้งโลกความผิดทั่วทั้งโลกเราโดยสรุปก็คือกรร ม, มกิเลสสีประการในกการกระทำโดยจิตใจที่คุนัวเศ้ามองจิตใจที่ไม่สะอาดจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ ก็ไม่บริสุทธิ์ระดับหนึ่งนะครับที น, นี้การประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ายในทางเพศแล้วโกหกหลอกลวงต้มทุนใส่ร้ายใบสีซึ่งกันและกันพูดง่ายๆว่าเรื่องเสียศิขาในสมาวาจาสมากมันตาสมาชีวะนะเป็นโลกะวาชาัชชะนอกจากนั้นเป็นปัญติวัชชะ หรือถ้าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับทางเพศไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ประทุสร้ายต่อชีวิตต่อทรัพย์ต่อทางเพศแล้วก็ต่อข้อมูลข่าวสารแล้วก็ถือว่าเป็นปณติวัติยะนีโทษตามบทบัญญัติของพระวินัยตอนทําพอมาถึงธรรมะเนี่ยจึงเป็นบทแสดงเป็นการแสดงความจรงิงตามที่มีอยู่เป็นอยู่ยางไงก็แสดงออกไปอย่างนั้นตอนท่านอุ ป, ปมาว่า ภาษิตของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าข้าลงทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองประทีศในที่มืดโดยหวังว่าคนมีดวงตาจะได้เห็นแสงสว่างกินี้ก็แสดงให้เห็นว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้ว แต่มันปิดอยู่พระพุทธเจ้าก็เปิดให้ดูมันคว่ำอยู่พระพุทธเจ้าก็งายให้ดูเหมือนทางมันมีอยู่แล้วแต่คนเดินทางผิดพระพุทธเจ้าก็ชี้บอกทางผิดทางถูกให้ดูแต่คนจะเดินไปทางไหนก็เลือกเราเองนะฮะเลือกเราเองพระพุทธเจ้าก็มีหน้าที่ชี้บอกชี้บอกทางเหล่านั้นมันเป็นกระบวนการของกรรมพระพุทธศาสนาเป็นกรรมาวาชีเป็นวิริยะวชีเป็นกิริยะวาชีถือ ว, ว่า เรื่องการกระทําของบุคคลนั้นเป็นตัวการสาคัญที่จะนําพาชีวิตเขาไปสู่ทิศทางอันใดอันหนึ่งก็ตามก็อยู่ที่การกระทํำเขาเองและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นจะต้องใช้ความเพียรพยายามของบุคคลเหล่านั้นเป็นประการสาคัญจากนั้นก็ได้กราบทูลว่าหมอมฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พ, พระธรรมและประสงค์ว่าเป็นสนะ ขอพระองค์ทรงทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะนะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ขอพระผู้มีพระภาค พ, พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จงรับพัฒตาหางของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้นี่ก็เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งนะฮะเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่ยึดถือพระภิกษปฏิบัติกันที่ส่วนมากแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกก็กระไรพระภิกษุ ต, ตัวเองอ่ะคือต้องนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ไปสเสวยดับฌานในในิเวศของตน ท่านฟังทั้งหลายใต้ร่มระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องงามไปบูรณนธารมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี